สังคาที่เศษสิกขาบทที่สิบสาว่าอนหนึ่งภิกษุเข้าไปอาศัยบ้านก็ดีนิคมก็ดีแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของเธอเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสะกุลทั้งหลายอันเธอประทุษร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วย ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเป็นผู้พระทุศร้ายสกุลมีความประพืชเลวสามความประพืชเลวสามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสะกุลทั้งหลายอันท่านประชุศร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ท่าน่าได้อยู่ในที่นี้อีก และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ว่าภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าพวกภิกษุถึงความพอใจด้วยถึงความขัดเครืองด้วยถึงความหลงด้วยถึงความกลัวด้วยยอมขับภิกษุบางรูปยอมไม่ขับภิกษุบางรูปเพราะอาบัติเช่นเดียวกันภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่า ท่านอย่าได้ว่ากล่าวอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายหาได้ถึงความพอใจไม่หาได้ถึงความขัดเคืองไม่หาได้ถึงความหลงไม่หาได้ถึงความกลัวไม่ท่านเองแหลเป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวทรามละจนถึงท่านอย่าอยู่ในที่นี้อีกและภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียวภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สละกรรมนั้นเสียสละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สละเสีย เป็นสังสคำว่าประชุดสร้ายสกุลเป็นโวหารอย่างหนึ่งใช้อยู่ในหมู่ภิกษุไม่ได้หมายความว่าโกรธขึ้นจองล้างจองผลาญทำร้ายร่างกายหรือทำให้เสียทรัพย์หมายความว่าเป็นผู้ประจบเขาด้วยกิริยาทาตนอย่างเคารพหัดยอมตนให้เขาใช้สอย หรือด้วยอาการเอาเปรียบโดยเชิงให้สิ่งของเล็กน้อยด้วยหวังได้มากทำอย่างนี้เรียกว่าประทุษร้ายสกุลเพราะทำให้เขาเสียศรัทธาเลื่อมใสอันเป็นมูลเหตุแห่งกุศลสมบัติจริงอยู่ภิกษุทำเช่นนั้นแม้หากถูกใจของเขาบางเหล่าแต่เขาคงไม่นับถือโดยฐานะเป็นพระ คงคบด้วยฐานะเป็นเพื่อนชั้นเลวคำว่ามีความประพฤติเลวสามนั้นคือประพฤตินอกทางของสมณะเป็นต้นว่าประพฤติสูงสิงกับหญิงสาวในสกุลเล่นการพนันเล่นสุกสนต่างๆเล่นตลกขนองร้องรำทำเพลงภิกษุเช่นนี้มีพระพุท ธ, ธานุญาตไว้ ให้สงลงโทษทำปรบภาชนิยกรรมขับเสียจากอาวาสภิกษุผู้นั้นต้องปรบภาชนิยกรรมอย่างนี้ควรจะรู้สึกโทษตัวประพฤตกลับตัวซิใหม่เพื่อสงจะได้งดโทษแต่ภิกษุในสิกขาบทนี้กลับว่าติเตียนภิกษุอื่นว่าลุกอำนาจแกอาคติสีที่สงอนุญาตให้สงว่ากล่าว ตลอดถึงส่วนสมานุภาสประการห้ามถ้าไม่ฟังต้องสังฆาทิเศษ